สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิชยาพิบาลนะครับในเช้าวันนี้เป็นเช้าวันพุธเราจะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับวิธีฝังพระศพของพระเยซูพี่น้องครับประเด็นที่เกี่ยวกับการบันทึกเรื่องการฝังพระศพพระเยซูในอุมโมงของโยเซฟชาวอาริมาเทียนะครับเราจะเรียนรู้เรื่องการบรรจุพระศพของพระเยซูเพราะว่าไม่ว่าจะเป็น การฝังศพของใครในพระกัมภีร์เดิมไม่แต่ฟาโรของอียิปต์นะครับกษัตริย์ของบาบิโลนหรือนักปราชชาวกรีกนะครับเมื่อเทียบกันแล้วเรารู้เรื่องการฝังพระศพของพระเยซูมากกว่าใครทั้งสิ้นครับเรารู้ว่าใครเป็นคนอันเชิญพระศพพระเยซูลงมาจากไม้กางเขนในวิลเลกันครับเราก็รู้ว่าเรารู้ถึงการใช้เครื่องหอมและผ้าพันพระศพเรารู้จักอุโมงค์ที่มันจุพระศพเรารู้ว่าชื่อเจ้าของอุโมงค์ชื่ออะไร เรารู้ไม่กระทั่งตำแหน่งที่ตั้งของอุมโมง์ว่าอยู่ในสวนใกล้กับตำบลที่พระเยซูถูกตรึงภายนอกกำแพงเยรูซาเล็มพี่น้องครับภาคกิตคุณทั้งสี่ฉบับนั้นสอดคล้องกันนะครับและบันทึกของสาวกของพระเยซูทุกทุกคนสี่คนนี้ก็เหมือนกันหมดครับเกี่ยวกับเรื่องของการสิ้นพระชนม์ของพระเยซูการถูกฟังและการเป็นขึนความตายพี่น้องครับ <c oughs> อุมโมงค์นะครับมักจะ เป็นมรดกส่วนตัวและทรัพย์สินส่วนบุคคลครับและเวลาชฉลมพระศพนั้นเขาก็ชลมด้วยเครื่องหอมต่างๆเช่นว่ามดยอบกฤษนานะครับในยุคต่อมาก็ใช้ต้นหูศพครับน้ำมันกุนหลาบนะฮะแล้วก็จะหอ่อศพผ้าที่ใช้นะครับก็จะใช้เป็นเป็นผ้าที่เคยห่อม้วนพระบัญญัติมาก่อน น, นครับคือเป็นเกียรติของผู้ที่สิ้นชีวิตผู้ที่ตายที่มีความยิ่งใหญ่นะครับเป็นผู้นา พี่น้องครับเป็นไปได้ครับที่พระเยซูอ่านะจะได้รับการห่อพระสบโดยใช้ผ้าที่เคยห่อม้วนพระบัญญัตมาก่อนนะครับด้วยเหตุที่ใกล้ถึงวันสบาโตการจัดการขั้นตอนต่างๆนั้นจะเร่งรีบมากเพราะอะไรครับเพราะว่าจะต้องเสร็จก่อนนะครับเย็นวันศุกร์หกโมงเย็นนะครับเรานึกถึงภาพไหครับเมื่อเขาค่อยๆดึงไม้กางเขนให้ลงต่ำมาจนเอ็นราบกับพื้นถอนตะปูนะครับออกจากพระหัตถ์พระบาท คลายเชือกที่มัดออกด้วยโยเซฟชาวอิาเียและนิโคเดมัสคนที่จัดการพระศพพระเยซูก็เอาผ้าปัน่นสะอาดพันหุ้มพระศพของพระองค์และรีบอัญเชิญไปยังอุมโมงค์จะมีการชำระนะครับพระศพหรือไม่นั้นก็ไม่อาจจะทราบได้แต่คาดว่าจะมีการชำระนะครับอย่างรวดลวกนะครับเพราะว่ารีบเร่งเหลือเกินที่น้องครับ เราคงจำกันได้ว่าววบริเวณปากทางของช่องประตูศพนั้นจะมีลานกว้างนะครับประมาณเก้าตารางฟุตซึ่งธรรมดาลแล้วใช้เป็นที่วางศพและผู้ที่นำศพมาก็ยากใช้เป็นที่ปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ตายเป็นครั้งสุดท้ายตรงนี้เองนะครับพระมปีบันทึกว่านิโคเดมัสสมาชิกสภาแซนเฮดรินมาด้วยเขาเอาเครื่องเทศผสมคือมดยอบกับกฤษณาที่ชาวยิวรู้จักกันครับว่าใช้ในพิธีเจิมหรือพิธีศพนั่นเองพี่น้องครับ ก่อนที่จะบรรจุในอุมโมงค์นะครับนักวิชาการทั้งหลายก็เล่าเป็นเสียงเดียวกันว่าคนยิวนั้นจะวางพระศพบนแท่นหินใส่เครื่องหอมและใช้ผ้าหุ่มไว้แน่นพระกิตคุณบอกว่าเครื่องหอมที่ใช้นั้นมีน้ําหนักมากกว่าสามสิบกิโลครับพี่น้อง <c oughs> คงเป็นไปได้ว่าโยเซฟนั้นเป็นคนรวยและอยากจะจัดการพระศพอย่างสมเกียรติอย่างดีเยี่ยมเพื่อชดเชยกับความคลาด ความขี้กลัวของตนที่ไม่กล้ารับพระเยซูขณะที่ทรงพระชนอยู่ปริมาณเครื่องหอมแม้จะมากแต่ก็พอจะเทียบเคียงได้กับปริมาณที่ใช้ในพิธีศพของรับใบนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เองครับทําให้เราเห็นบทเรียนว่าอย่าให้เราเป็นโยเซฟชาวอิสราเทียกันมากนักนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเวลาที่พระเยซูทรงพระชนอยู่นั้นเขาไม่สแสดงตัว นะครับเขาอายพระเยซูแต่พอวิเลยพระเยซูชิ้นประชนแล้วเขาก็รู้สึกว่ามีจิตใจที่เหมือนกับเสียใจครับเลยจัดเต็มนะครับในการฝังพระศพพระเยซูเอาเครื่องหอมต่างๆที่ที่ใช้นะครับถึงสามสิบกว่ากิโลเป็นรองครับผ้าลินินครับที่ใช้ห่อพระศพพระเยซูนะครับก็จะกว้างประมาณหนึ่งฟุตนะครับเขาจะพันพระศพให้แน่นตั้งแต่รักแร้จนถึงข้อเท้าครับ เมื่อพันผ้าไปแต่ละทบก็ก็ใส่เครื่องหอมลงไปด้วยนะครับเครื่องหอมเหล่านี้มักจะมีลักษณะเหนียวคล้ายยางครับเครื่องหอมเหล่านี้จะช่วยรักษาสภาพศพครับในเวรกันก็จะเป็นการประสานผ้าที่พันซ้อนกันอยู่ให้แข็งคงเป็นลูกเป็นเครื่องปกคลุมศพยอนใช้คําว่าพันครับสอดคล้องกับกับภาษาของลูกกาในบทที่ยี่สิบสามข้อห้าสิบสามเขาเอาผ้าป่านพันหุ้มไว้ ในเช้าวันต้นสัปดาห์ผสบของพระเยซูหายไปแต่ผ้าพันุผศบนั้นยังวางอยู่ที่นั่นพี่น้องครับเขาจัดการฝังผสบตามธรรมเนียมของคนยิวและข้อกําหนดของบทบัญญัติของโมเสสครับบทบัญญัติโมเสสนั้นอยู่ในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่21ข้อ23ได้เขียนอย่างนี้นะครับว่าอย่าให้ศพอยู่ที่ต้นไม้ข้ามคืนท่านจงฝังศพเขาเสียในวันเดียวกันด้วยว่าผู้ที่ถูกแขวนไว้บนต้นไม้ก็ต้องถูกแช่งสาบโดยพระเจ้า ท่านอยากะทําให้แผ่นดินของท่านซึ่งพระเยโฮวาพระเจ้าของท่านประทานแก่ท่านให้เป็นมรดกนั้นเป็นหมนต์ถิ่นครับในกาลาเท 3, 3, 3, ียบทที่สมข้อสิบสาเช่นเดียวกันครับบอกบอกเราว่าพระคิดทรงไถ่เราให้พ้นความแช่งสาปแห่งธรรมบัญญัติโดยการที่พระองค์ทรงยอมถูกแช่งสาปเพื่อเราเพราะว่าพันงทีเขียนไว้ว่าทุกคนที่ถูกแขนวนบนต้นไม้จะต้องถูกสาปแช่งพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับพระเยซู และการฝังพระศพของพระเยซูนะครับไม่มีพระกฤษณเล่มไหนที่บอกว่าพบเครื่องหอมในอุโมงค์ครับพี่น้องนี่คือประเด็นที่น่าสนใจเป็นประเด็นที่สำคัญสิ่งที่ยืนยันได้ก็คือว่าเครื่องหอมนั้นแทรกอยู่ในชั้นผ้าที่พันซ้อนกันอยู่นะครับและปริมาณเครื่องหอมนั้นก็มากครับสามสิบกิโลด้วยกันครับนิโคเดมัสนําเครื่องหอมมานะครับสามสิบกิโลนะครับมาช่วยกัน โยเซฟอริมาเทียพี่น้องครับปริมาณของเครื่องหอมยังยังสําคัญน้อยกว่าข้อเท็จจริงนะครับที่ยืนยันได้ว่าเครื่องหอมนี้นะครับถ้าเรายกศพให้อยู่ในท่ายืนหรือถอดผ้าห่อศพออกเครื่องหอมก็จะล่วงหล่นมากองที่พื้นนะครับแม้ว่ามันจะเหนียวมันจะต้องมีร่องรอยของการหล่นมาเพราะว่ามีเครื่องหอมปริมาณมากถึงสามสิบกิโลเมื่อลงลงมานั้นก็จะเป็นกองใหญ่สะดุดตาครับ กฤษณานะครับเป็นไม้เนื้อหอมที่บดจนเป็นผงส่วนมัดยอดก็เป็นยางครับเป็นยางที่มีกลิ่นหอมใช้ผสมกับ <c oughs> ยางไม้นะครับนอกจากนั้นเราก็พอจะปฏิปต่อด้วยว่าเขาจะชฉลมศพด้วยขี้พึ่งเหลวครับเช่นน้ํามันหอมนาราดานะครับพี่น้องคนคงจะคุ้นกับคําว่าน้ํามันหอมนาราดานะครับซึ่งเป็นเหตุที่ทําให้เครื่องหอมที่สัมผัสศพนั้นจะยึดติดแน่นครับและส่วนใหญ่มันก็จะแห้ง ตรงบริเวณศรีรษะของพระเยซูและผมก็จะนําน้ํามันหอมมาฉลมนะครับแต่เราไม่เคยพบว่าจะใส่เครื่องหอมที่ใบหน้าหรือศรีรษะในการเตรียมผัสศพขององค์พระผู้เป็นเจ้าพระเยซูนั้นทําอย่างรีบเร่งมากคงจะไม่มีเวลาฉลมงผัสศพหรือทําอะไรที่ละเอียดปะระณีตเพรา ะ, ะวันใกล้จะตกดินซบาโตจะเข้ามาแล้วแต่เขาอาจจะใส่เครื่องหอมขนาดห่อผัสศพและเป็นไปได้ว่าพวกผู้หญิงประสงค์จะเสริมส่วนที่ละเลยเสีย เพราะฉะนั้นในวันอาทิตย์เขาจึงคิดว่าจะนำน้ำมันหอมนารดาและน้ำมันหอมราคาพแพงมาชฉลมพระศพให้ดีให้สมบูรณ์ไม่มีใครคิดครับว่าพระเยซูจะเป็นแค่ความตายพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราชีวิตของพวกเรานะครับเช่นเดียวกันครับจะต้องตอบสนองต่อการสิ้นพระชนนะครับของพระองค์อย่างถูกต้องเพื่อที่ชีวิตของเรานั้นจะไม่พลาดจากสิ่งที่ดีพี่น้องครับ เหตุการณ์ต่างๆที่ผมพยายามจะเล่าให้ฟังอย่างละเอียดโดยการค้นคว้านํามาจากหนังสือพี่น้องจะรู้ว่าในรายละเอียดต่างๆเหล่านี้เป็นเหตุที่ทําให้เราแน่ใจแน่ใจได้ว่าความจริงในพระคัมภีร์ทุกทุกบททุกๆุตอนทุกๆคําพูดได้รับการกันกรองตรวจสอบอย่างดีครับจากนักวิชาการทั้งหลายที่เก่งกว่าเรามากนักและเขาได้เขียนไว้ในหนังสือเพื่อที่เราเองนั้นจะมีความเชื่อความศรัทธาที่ ไม่มีข้อสงสัยเลยอาาเมน